อาจารย์มั่นทันว่าใจมีภาษาเดียวเหมือนกันหมดไล้ว่าเป็นชาติใดภาษาใดเพียงความรู้คือใจนี่อันนั้นอนเดียวป็นภาษาเดียวความนึกออกมานี้เข้าใจแต่วเวลาใช้ออกมาทางคำพูดต้องแยก เป็นภาษานั้นภาษานี้ไม่ค่อยเข้าใจกันความรู้สึกภายในจิตใจมันเหมือ น, เ ห, อนเหมือนกันทำกับใจจึงเข้ากันได้สนิทเพราะธรรมก็ไม่ได้เป็นภาษาของอะไรธรรมก็คือภาษาของใจทำอยู่กับใจความสุขความทุกข์อยู่กับใจ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 ป็งความคิดความปรุงก็เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับความหมายถึงความกระเพื่อมของใจกระเพื่อมขึ้นมาก็ปรุงความหมายเกี่ยวกับการคาดการอะไรทั้งหมายถึงสัญญายาวไปก็เป็นสัญญาสั้นก็เป็นสังขารคือปรุงแพ็บนั่นเป็นสังขารสัญญาคือความหมายนี่ก็ความหมายความจำ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 ดูอย่างนั้นเป็นประจำแม้พระคีนาศกท่านก็มีอาการเหล่านี้เช่นเดียวกันกับสามัญช น, นทั่วๆไปเป็นแต่เพียงว่าขันลงท่านเป็นขันล้วนนไม่มีกิเลสเป็นเครื่องบังคับบัญชาหรือชให้ทำนั้นปุงนี้คิดนั้นเป็นขันคิดโดยธรรมชาติของมันเองเรียวกว่าเป็นอิสระของขันโดยไม่มีอะไรมาบังคับให้คิดนั้นให้ ปรุงอย่างนี้เหมือนอย่างกิจสามัญชนทั่วไปหรือเหมือนอย่างขันสามันชนทั่วไปถ้าเราจะเทียบแล้วก็ขันล้งสามัญนทั่วทั่ไปก็เหมือนนักโทษที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ตลอดเวลาความคิดความปรุงความสําคัญมัน่นหมายต่างๆเหล่านี้ร้วนแล้วตั้งแต่มีผู้บังคับบัญชาออกมา ให้คิดอย่างนั้นให้ปรุงอย่างนี้ให้สาคัญสำคัญมันหมายนั้นอย่างนั้นอย่าง น, น, างนี้เรื่องของกิเลสเป็นนายหัวหน้าบังคับบัญชาขันเรานี้ให้แสดงตัวขึ้นมาส่วนพระกีนาศ ค, คือพระหานท่านท่านไม่มีปรุงก็ปรุงธรรมดาพอปรุงแล้วก็ดับไปธรรมดาไม่มีเชื้อต่อ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 เพราะฉะนั้นจิตที่บริสุทธิ์แล้วจึงหมดปัญหานในเรื่องเกิดเรื่องตายที่เกี่ยวกับเรื่องฐานเดิงขันไปที่กำเนิดเกิดที่นั่นที่นี่แสดงตัวอันเป็นอันญยาบออกมาเช่นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นดันั้นจึงไม่มีสําหรับจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ฟุ้นี่แหละไปแสดงเช่ น, นั้นไม่ใช่อะไรคือจิตดวงที่ไม่ตายนี่แหละ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 ให้มีให้เกิดขึ้นสิ่งที่มีแั้วบำรุงรักษาให้เจริญเพื่อเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความชุ่มเย็นมีความสงอบสุขมีหลักมีเกณฑ์ด้วยคุณธรรมคือความดีอันนี้หากได้เคลื่อนย้ายจากธาตจากขันอันเป็นปัจจุบันนี้ไปสู่สถานที่ใดพบใดชาติใดก็ต่ า, ตามจิตที่มีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ ย่อมเป็นจิตที่ดีไปก็ไปดีแม้จะเกิดก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขเรื่อยๆไปอย่างนั้นจนกว่าว่าจิตนี้จะมีกำลังสามารถคืออานาจวัฒนาบุญญาไปสมผานที่สร้างมาโดยลำดับลาดานับตั้งแต่อดีตมาโดยลาดับจนมาั่งปัจจุบันนี้ก็ต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับเห็นเมื่อวานนี้เป็นอดีต สำหรับวันนี้วันนี้เป็นอดีตสำหรับวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่เราได้สร้างความดีมาดกันกทั้งนั้นแล้วหนุนกันไปเป็นลําดับลาดับจนกระทาั่งจิตมีกําลังกล้าสามารถเพราะอํนานาจแห่งความดีนี้เป็นเครื่องสงนับสนุนแล้วผ่านพ้นไปได้คําว่าสมมุติใดๆคือการเกิดการตายดังที่เป็นมาแล้วจะปรเกิดในพบที่ละเอียดขนาดไหนก็าตามซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติแฝงอยู่นั้นจึงไม่มี ทานไปหมดโดยประหารทั้งปวงมีได้แต่จิตพระอรหันต์ท่านจิตก็ะพุทธเจ้าะพูดถึงเรื่องนี้ก็ยังมีเรื่องพระวังคีสักพระวังคีสักท่านเต่นมากทั้งแตท่านเป็นคารวะใครตายก็ตามเป็นอะไรจะว่าเป็นหมอดูหรือเป็นอะไรกก็พูดไม่ถนัด ท้ง เ, เก่งทังไสยศาสตร์นี่ถ้าภาษาปัจจุบันนี่ใครตายเนี่เขาเมาให้เคาะกระโหลกศีรษะปอกๆๆกําหนดดูทราบมานี่ประเกิดที่นั่นอันนั้นแต่เกิดที่นั่นเช่นไะเกิดเป็นสัตว์นรกก็บอกเกิดในนรกก็บอกไปสวรรค์ก็บอกไปกกเป็นสัตว์เดชานไปเป็นเป็ดเป็นผีอะไรบอกหมดไม่มีอัดมีอันบอกได้ทั้งนั้นขอให้ได้ ข้อกระโหลกศรีรษะของคนผู้ตายนั้นก็แล้วกันอันนี้ก็พอไปถึงพระพุทธเจ้ า, า, าท่านก็เอาศีรษะร้าหันไม้เคาะเอาลองเคาะที่นี่ไปเกิดที่ไหนเคาะแล้วก็ฟังเงียบเคาะแล้วฟังเงียบคิดแล้วเงียบัมมุไเงีย บ, บไม่ปรากฏว่า เจ้าของของกะโรกศีรษะนี้ไปเกิดที่ไหนจนกราะพูดอย่างคงไปคงมาว่าไม่ทราบที่เกิดอันนี้วางนั้นทีแรกอพระวังศีรษะนี้ว่าตัวเก่งเฉลียวฉลาดจะไปแข่งกั บ, บรพระิเจ้านั่นแหละคุณง่ายแต่เวลาไปถึงพระริเจ้าแล้วพรองเอากะโหลกศีรษะพระาหันมาให้เคาะอันนี้มาติดตรงนี้ทีนี้ก็อยากจะเรียนต่อ ถ้าเรียนนี้แล้วก็จะวิเศษวิโสมากถ้ารู้นี้แล้วให้เรียนสำนักพระเจ้านั่นแหละที่นี่ก็สอนวิธีให้สอนวิชาให้ให้เคาะกะโหลกนี้ได้ให้เข้าใจสอนวิชาวิชาธรรมนี่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเลยเลยพลังคีรหรือยสำเร็จอรหันขึ้นมาใช่ไหมหรือเ ล, เลไม่สนใจจะไปเคาะทิศะใครนอกจากเคาะทิศะเจ้าของรู้ที่ ง, ง ช, าาชัดเจนแล้วหมดปัญหาไปเลยนี่เรียกว่าเคาะทิษะที่ถูกต้อง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 ท่านไปบำเพ็ญสมณธรรมจเจริญแล้วขึ้นไปโดยลาดับลาดับแล้วเสื่อมลงจเจริญแล้วเสื่อมลงฟังว่าหกขนขนที่เจ็ดนี้มีโกนมาเชือดคอตัวเองมั้งแล้วอกเสียใจแต่ท่านก็เป็นพระหันในวาระสุดท้ายอันนี้เราย่อเลยอันนี้พวกพญ า, ามารก็มาตามค้นหาวิานญาณของท่าน ผูดภาษาของเราก็เรียกว่าตลกเมฆเลยการขุดการค้นไม่เจอพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งมาว่าการที่จะค้นหาสิญญาณของประโกติกะที่เป็นบุตรของเราซึ่งเป็นผู้สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดวยประการทั้งปวงนั้นจะขุดจะค้นจะพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่เจอคือว่ามันหมดวิสัยของสมมูิแล้วจะเจ อ, อยังไง มันเลยวิสัยของมนุษย์ที่จะค้นให้เจอนี่ท่านเรียก ว, ว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยสําหรับคนมีวิเดที่จะดราจิตของพระหรหันธ์ท่านไดน้ในวงสมมุติทั้งหมดไม่มีผู้ใดจะสามารถตามวิถีจิตของพระหรหันธ์ท่านไดน้เพราะท่านนอกสมมุติไปแล้วนี่จะเป็นจิตเหมือนกันก็ตามเราพิจารณาดู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 ซึ่งเป็นธรรมที่จะกล่อมให้จิตมีความสงบและปรากฏเป็นความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาภายในจิตใจเพื่อนำธรรมบทนั้นมาเป็นเครื่องกํากับมาเป็นเครื่องพึ่งพิงเป็นเครื่องยึดของจิตเช่นอนาปานสติซึ่งเป็นกรรมฐานสําคัญบทหนึ่งในวงปฏิบัติทั้งหลายรู้สึกอนาปานสติจะเป็นธรรมที่ถูกกับจดินิสัยของคนเป็นจำนวนมากกว่าธรรมบทเลย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 ว่านี้คือจิตแล้วละเอียดเข้าไปความทราบว่าจิตนี้เราก็ทราบแล้วแต่ทราบว่าความละเอียดลงไปอีกว่าจิตนี้ละเอียดจิตนี้ผ่งใสจิตนี้สงบยิ่งจิตนี้เป็นของอัศาจารรย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับ ล, ลําดับลำดับนะ่ะในจิตดวงเดียวนี่น่ะการชาระการอบรมเพื่อความสงบการพิจารณาค้นพะแก้ไขสิ่งที่กัดข้องภายในจิตใจด้วยปัญญา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 แต่ธาตุขันไม่ปกติธาตุขันเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็ต้องรู้ความหนักความเบาของธาตุขันเรื่องใจให้เป็นความเพียรอยู่ภายในตนเองเป็นสิ่งสําคัญมากเราก็ย่นข้ามาในจุดนี้อาศัยเข้ามามากแล้วเวลานี้มันชารุดจุดโศมกว่าให้เศร้ามันํารุดอันไหนที่ควรจะใช้ได้อันไหนที่มีความสามารถภายในตนเองคือจิตใจเราก็ให้เล่นอยู่ภายในใจของเรานี่ไม่ขาดผลไม่ขาดประโยชน์ให้ใจมีหลักมีเกณฑ์ดูมีหลักตายก็มีหลัก เกิดที่ไหนก็มีหลักอันดีเป็นที่พึงพอใจเพราะคําว่าบุญแล้วไม่ผิดความคาดความหมายไม่ผิดหวังต้องเป็นสิ่งที่พึงใจทั้งนั้นจึงเรียกว่าบุญคือความสุขที่โลกต้องการด้วยกันไม่มีใครใครอิ่มพอก็คือความสุขนี่แหละจะเป็นสุขทางในก็ตามเป็นสิ่งที่สายโลกต้องการแต่พอยาญยิ่งสุขภายในจิตใจซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะการทํารุงน้ำความดีเป็นลําดับลําดับมีภาวนาเป็นต้นนี่เป็นความสุข อันเป็นแก่นหรืเป็นสานะสําคัญภายในจิตใจเอาให้พากันบําเพ็ญในเวลาร่างกายหรือธาตุขันธ์นั้นเป็นไปอยู่นี้เมื่อถึงอวสานเนี่ง ท, ทีแล้วมันหมดวิสัยด้วยกันนั่นแหละจะทําได้ยังไงมันสุดวิสัยแล้วจะทําได้มากน้อยต้องหยุดในเวลานั้นเรียกว่าหยุดงานพักงานไปแล้วโน้นพบหมายต่อไปนีน้ที่ควรจะทําได้เราก็ทํา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 เราก็ยอมรับมันไปตามหลักกรรมนั้นแต่เราจะไปตำหนิมันเราเมื่อเราทำลงไปแล้วเราจะปรหนิษยังไง ม, มือเขียนก็ต้องมือลบยอมรับกันไปเรื่องของกรรมมันเป็นมันจนกมะทัางมันพ้นไปได้ก็หมดปัญหาหลักการแสดนทำก็ออกเป็นแค่นี้ต่อไปให้ท่านปัยญาอธิบายท่า น, นฟัง